เอา呐เรื่อพร้อมต่อไปนี้เราก็ก็เข้าสู่การภาวนาเตรียมตามลำดับนั่งคู่บัลลังตามที่ตนถนัดเก็บมือเรียบร้อยจะตั้งไว้ที่ มือซ้ายตั้งไว้ที่เข่าซ้ายก็ได้มือขวาตั้งไว้ที่เข่าขวาก็ได้หรือจะนำมาซ้อนกันเป็นมือขวาซ้อนมือซ้ายตั้งไว้ที่หน้าตักก็ได้นั่งเป็นพับเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้นั่งสมาธิก็ได้ขาขวาทับขาซ้ายก็ได้แล้วแต่ที่เราจะถนัดเต็มเป็นสัปายะแต่ที่สำคัญคืออุชุมกายังปานิทายะคือตั้งกายให้ตรง กายตรงหมายความว่าให้กระดูกตัดหลังนั้นตั้งฉากกับพื้นให้มากที่สุดการตั้งกายให้ตรงสามารถแก้ความง่วงได้สามารถกำจัดความพุ่งซ่านได้เพราะมันเป็นการเรียกคืนความรู้สึกตัวอย่างแรงผู้เจ้ายึงสอนว่าอุชุงกายยังปานิทายะตั้งกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหนะ้า เอาสติมารู้สึกอยู่ที่เฉพาะใบหน้าของตนแล้วเคลื่อนจิตรู้เข้าสู่ฐานที่ตั้งคำว่าฐานที่ตั้งคือสำหรับที่จะจ้องดูรู้ลมหายใจที่ไหลออกจ้องดูรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าการหาฐานที่ตั้งก็คือหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออก แลสังเกตลมหายใจที่ไหลออกมาเรารู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกตรงไหนชัดเจนตรงนั้นคือที่ตั้งแห่งจิตรู้ของเราสำหรับคนที่มาใหม่ครั้งแรกถ้าไม่ชัดก็ครั้งที่สองทำอีก2องามครั้งหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วหายใจออกมาพร้อมใจรู้สึกต่อลมหายใจนั้น สามครั้งสังเกตลมหายใจไหลออกของตนว่าเรารู้สึกกับลมหายใจของเราที่ไหลออกนั้นได้ชัดเจนตรงไหนเราก็ตั้งจิตรู้ไว้ที่ตรงนั้นคำว่าตั้งจิตรู้หมายความว่าไม่วิ่งตามลมหายใจไม่วิ่งตามลมหายใจแค่รู้ลมหายใจให้เหมือนเรากําลังไอนึกถึงเลื่อยเลื่อยที่เลื่อยที่ เราเลื่อยไม้เวลาเรายืนเลื่อยไม้เราดูตรงไหนเราดูตรงฟันเลื่อยที่กินเนื้อไม้เรียกว่าตรงคลองเลื่อยตรงนั้นว่ามันเป็นอย่างไรเราไม่วิ่งตามเลื่อยที่มันวิ่งเข้า ว, วิ่งออกถ้าเราวิ่งตามมันไม่สําเร็จประโยชน์ฮันเราหยุดนิ่งข้าวจ้องดู อยู่ตรงที่ควันเลื่อยกินเนื้อไม้มันบิดไปก็รู้มันบิดไปทางซ้ายก็รู้บิดไปทางขวาก็รู้เราเห็นคลองเลื่อยมันไม่ค่อยตรงเราก็สามารถบิดตัวเลื่อยได้บริหารอย่างนี้ได้ฉันใดการรู้ลมหายใจให้ข้าวจ้องดูตรงฐานที่ตั้งนั่นแหละลมหายใจไหลเข้าอย่างไรรู้อย่างนั้นไหลออกอย่างไรรู้อย่างนั้น <c oughs> เมื่อจิตเริ่มรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าก็วางจิตให้สบายวางกายให้สบายแล้วก็รู้ลมหายใจลมหายใจออกรู้ลมหายใจเขารู้ ให้สำคัญต้องทำความรู้สึกให้เป็นไอ้รู้แรกๆเนี่ยมันเป็นรู้ในสัญญาแล้วอย่าไปสงสัยอย่าไปคิดมากตามปริยัตอย่าไปคิดมากตามคำพูดตามหนังสือเพราะอย่างนั้นมันไม่ใช่รู้แ้วมันเป็นสัญญามันจะเป็นอะไรก็ช่างไปแล้วแต่แค่รู้ลมหายใจ ลมหายใจออกอย่างไรเรารู้ลมหายใจเข้าอย่างไรเรารู้ลมหายใจออกอย่างไรเรารู้ลมหายใจเข้าอย่างไรเรารู้แค่รู้ลมหายใจอยู่อย่างนั้นไปก่อน ขณะรูลมหายใจที่ไหลออกรูลมหายใจที่ไหลเข้าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นและจิตก็กลับไปรู้ลงอะไรเกิดขึ้นเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็จิตกลับมารู้ลงอะไรหายไปก็กจิต มารู้สึกว่าอะไรหายไปก็รู้ว่ามันหายไปแค่รู้ว่ามันหายไปแล้วก็กลับมารู้ลมอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วกลับมารู้ลมพออะไรหายไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปแล้วก็กลับมารู้ลมอ า, านาปานสติส judgment, คือจิตเข้าไปรู้สติเข้าไปรู้การไหลเข้าไหลออกของลมหายใจเป็นหลับ อะไรที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากนั้นก็แค่รู้แค่รู้เท่านั้น พอมันง่วงก็อุชมกายอย่างปานิทยะอย่าลืมเด็ดขาดเลยต้องปรับแก้ยืดตัวให้ตรงยืดตัวกระดูกยืดกระดูกสหลังตั้งให้ตรงยืดตัวขึ้นมาพอมันหายไปก็ก็รู้ว่ามันหายไปถ้ามันมาอีกก็รู้ว่ามันมาอีกมันกําลังตั้งอยู่ครอบงมอยู่ก็รู้ว่ามันกําลังตั้งอยู่เราก็ยืดตัวให้ตรงพอยืดตัวให้ตรงปั๊บมันหายไปเราก็รู้ว่ามันหายไปแล้วเราก็รู้ลมหายใจ จะอะไรเกิดขึ้นอะไรดับไปแค่รู้เท่านั้นและก็ไปรู้ลมหายใจ เมื่อจิตกอกลมหายใจไหลลึกลงไปไม่ใช่ไหลกลับลมหายใจนะจิตลึกลงไปเองด้วยตัวของจิตหลุดออกจากลมหายใจแล้วดิ่งลึกตรงไปก็ข้อรู้แค่รู้นะอย่าถลําลงไปแค่รู้แค่รู้ว่าจิตไหลลึกก็ยกกลับมารู้ลมหายใจอย่าเสียดายถ้าเราเกิดความรู้สึกเสียดาย นั่นมันคือตันหาเป็นฉันทะเป็นความเพลินเป็นความเพลินในสมาธิลึกลงไปก็แค่มีสติรู้ว่ามันกระลุงลึกก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าไปอีกพอยกกลับมารู้ลมหายใจโดยไม่มีความเสียดายมันก็จะเกิดความสงบนิ่งของกายรู้สึกว่ากายสง บ, บรู้สึกว่าใจสง บ, บ ก็แค่รู้สึกว่าสะหบเท่านั้นแค่รู้สึกว่ามีความสะหบเกิดขึ้นเท่านั้นจะพักหนึ่งก็รู้ลมหายใจอีกก็เห็นความนิ่งมีการรู้เห็นการรู้และนิ่งอยู่กับการรู้ก็แค่รู้เท่านั้นให้จำให้แม่น ว่าแค่รู้เท่านั้นแค่รู้เท่านั้นมันจะไม่ถึงทางตันใดๆจนถึงที่สุดแค่การแค่รู้เห็นทุกๆสภาวะเหมือนที่เคยบอกประจำว่าสมุทยันจะอัถังคมันจะชานาติก็รู้ถึงความเกิดขึ้นก็รู้ความดับไปก็รู้แค่นั้นอะไรเกิดขึ้นก็รู้อะไรดับไปก็รู้ อะไรก็ตามที่เรารู้การเกิดและการดับไม่มีสาระใดๆที่จิตจะต้องไปยึดไปอยากนี่คือสาระสำคัญแล้วก็เกาะลมหายใจที่ไหลเข้าลมหายใจที่ไหลออกอย่าไปโยท้ออย่าไปหงุดหงิดกับความคุ้นชานนะ ความฟุ้งซ่า น, นเป็นเรื่องดีเราอย่าพยายามไปบังคับจิตให้มารู้ลมหายใจเราแค่รู้ลมหายใจถ้าเขาหลุดออกไปคิดข้างนอกเราก็แค่รู้ว่าเขาหลุดออกไปคิดแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเฉยๆอย่าลืมว่าแค่รู้อย่าไปรู้สึกว่าตัวเองกำลังฟุง้งแค่รู้มันหลุดออกไปคิดเรื่องเื่นเราแค่รู้ มันหายไปก็แค่รู้แล้วมารู้ลมหายใจไหลเข้ามารู้ลมหายใจไหลออก จิตดูลมหายใจเวลาเป็นศูนย์นะต่มันหลุดออกไปหาส่วนที่เป็นอารมณ์อดีตหรือหลุดไปหาส่วนอารมณ์ที่เป็นอนาคตถ้าเราไปแช่ไปปรุงแต่งคิดอยู่นั้นนันจิตหลดหลุดออกจากลมหายใจแนละ้วเป็นการเสพอารมณ์ภายนอกการเสพนั้นก็เป็นทุกข์อยู่กับอารมณ์นั้นก็เป็นทุกข์ อารมณ์ทุกตัวที่จิตหลุดออกไปโดยไม่มีสติเป็นทุกข์ทั้งสิ้นเราแค่แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจเท่านั้นเอง จะเกิดความอึดอัด <c oughs> กับการรู้ลมหายใจอึดอัดเราก็ยืดตัวให้ตรงแล้วก็ผ่อนลมหายใจของเราเรียกว่าเราสามารถใช้สัญญาใช้ ส, สัญญา ค, คือคือความลงตัวในการบริหารลมหายใจสำหรับให้จิตรู้ได้อันนี้เป็นเรื่องราวของกุศลเป็นเรื่องราวของความฉลาด เป็นเรื่องราวของปัญญาในเบื้องต้นการบริหารลมหายใจวางลมหายใจให้พอเหมาะพอดีเป็นเรื่องของวิตกเป็นเรื่องของวิตกวิจารณ์ทีเ่เป็นกำลังเกเป็นกําลังของวิตกวิจารณ์ตั้งอยู่บนฐานของสัญญาพอวางลมหายใจลงตัวจิตรู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าวิวตกวิจารณนั้นก็หยุดพักไป ความเบาความสบายความสงบที่เกิดขึ้นก็แค่รู้ว่าเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ลมหายใจอย่าทิ้งลมหายใจไปอยู่กับความนิ่งนานๆเพราะมันจะกลับมาหาลมหายใจไม่เจอแล้วในที่สุดเราก็ต้องออกจากสมาธิเมื่อเกิดความนิ่งรู้ว่าความนิ่งเกิดขึ้นแล้วก็รู้ลมหายใจ จิตนิ่งจิตจิตงสจิ ต, จตเบารู้สึกวางก็แค่รู้เท่านั้น ถ้าจิตรู้ถึกบีบคัน้นก็รู้ว่ามันถึกบีบคัน้นให้รู้ด้วยไอความบีบคั้นนั้นนั้มีเหตุมาจากโทสะเพราะว่าถ้ามันเลยจากนั้นไปเราไม่รู้เราไม่เห็นการเกิดการดับไม่เห็นการตั้งอยู่ไม่เห็นการดับไปมันจะกลายเป็นความหดุดหิดถ้าเรารู้ไม่ทันตรงนั้นก็ต้องไปรู้ให้ทันตอนหุดหงิด แม้ความบุหิตี่เกิดขึ้นมันก็มาจากโทษสระมันแค่สรรภาวะตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเฉยๆอาการที่เรารู้สึกว่าเราไม่สบายเลยเพราะจิตมันอยากสบายจิตอยากสบายอาการที่เรารู้สึกว่าไม่สบายนั่นเป็นทุกขเวทนาจงรู้ไว้ว่าทุกขเวทนานี้เป็นสรรภาวะตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นกองของขันที่เรียกว่าเวทนาขันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ ก็ดับไปเมื่อมันดับไปก็รู้ว่ามันดับไปแล้วก็รู้ลมหายใจเราเห็นสภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปรู้การดับไปของทุกๆสภาวะนั่นคือการรู้ขันห้านั่นเองสภาวะธรรมที่จะนําไปการเห็นสภาวะธรรมเกิดได้ดับ ถ้าเข้าถูงปรมาทได้ก็คือการเห็นขันห้านี้แหละยืดตัวให้ตรงชู้กับความห่วงชู้กับนิวรต้องคว้าด่านนิวร น, นี้ให้ได้เราจะแพ้เขาไม่ได้เราแพ้เขาไม่ได้และเราไม่อยากชนะ แต่เพียงแค่ว่าเมื่อสภาพเขาปรากฏขึ้นเราแค่รู้ก็ดับไปก็แค่รู้แล้วกลับไปรู้ลมหายใจภาคเชา้านี้ไอเอารู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นหลักไว้อย่างอื่นก็แค่รู้ในการเกิดขึ้นแค่รู้ในการดับไปแค่รู้ในการเกิดขึ้นและแค่รู้ในการดับไปรู้ในการดับไปรู้ในการดับไปทุกๆสภาวะแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจ อย่าไปหน่งให้ตัณหาเกิดอย่าทามันมีความรู้สึกว่านานแล้วนั่นหมายความว่ามันมีตัณหาเข้ามาหน่งที่จิตแค่รู้ว่ามีตัณหาเกิดขึ้นตัณหาตัวนี้เป็นฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลมีราคะเป็นมูล แค่รู้ว่ามันเพื่อนเรื่อนด้วยอำนาจของตันหาแล้วก็กลับมารู้ลมหายใจ หล <c oughs> อดลมหายใจช้าๆเบาๆที่ไหลออกขาไหลข้าวแล้วก็ไหลออกรู้จากนั้นยกจิตมาที่มือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวา ค่อยเคลื่อนมือขวาเจ้าๆไปวางไว้ที่ข้อขวายกจิตมาที่มือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายไปวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายแล้วยกจิตกลับมารู้สึกที่ใบหน้าผาหัวหน้าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ลืมตาออกจากสมาธิ <c oughs> นี่เราก็จะได้เห็นสำหรับบางคนเจอเวทนาแรงๆที่เป็นทุกขเวทนาแรงๆเพราะทุกขเวทนาแรงๆเราเราเห็นมัน เราเห็นมันไม่ไหวในที่สุดเราก็แช่มันพราะแช่มันเรารู้สึกว่ามันปวดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นปวดมากขึ้นปวดมากขึ้นแต่พอเรายกจิตเข้ามารู้ลมจิตออกจากความปวดมันก็หายไปมันเหมือนกับมันจะดับไปพอเรามารู้ลมหายใจอีกสักแป๊บหนึ่งเห็นความปวดนั้นตั้งอยู่จริงๆมันเกิดใหม่นะอันนี้เป็นระบบ เป็นเรื่องราวของภพชาตินะถ้าเราไม่สามารถเห็นตรงนี้เกิดดับเราอะเกิดใหม่แน่ตายแล้วภพชาติของเวทนาภพชาติของเพราะมันเป็นภพมันมีที่ให้เกิดมีที่ให้อยู่มีที่ให้ดับมันเป็นภพอย่างนี้ตัวปัจจัยแห่งภพแห่งชาติก็คือ ฉันทะนันทิฉันทะราคะนันทจริงเวลายัางพอมีถ้าจะถามปัญหาไหมถามตอนนี้มันมีอุเบกขาอยู่ไงไม่ค่อยอยากจะถามเลยนะมันมีอุเบกขาอยู่เนี่ย เดี๋ยวขยับเนื้อขยับตัวสักนิดหนึง่งเคยเห็นความหลงเคอเป็นยังไงเห็นความหลงแล้วเป็นยังไงหลงอยู่กับความลึกของจิตที่จะมันไหลออกจากลมหายใจแล้วมันไหลลงไปแล้วเรารู้อาการจิตที่มันไหลลงลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไป ต่เราไปยึดตรงนั้นนั่นคืออาการของความหลงเลยนะสติรุดแล้วหมดแล้วจึงให้อยู่กับลมหายใจฝึกให้จิตกลับมารู้ลมหายใจฝึกให้จิตกลับมารู้ลมหายใจไว้ไม่หลงแน่ให้เปรียบลมหายใจเหมือนรถควายนั่งบนรถควายอย่าออกจากรถควายแม้ออกก็ต้องรีบขึ้นมามันอาจจะไปจอดสถานีใดสถานีหนึ่ง เราอาจจะลงไปช่วงครูช่วงคราวแต่ว่าอยู่นานไม่ได้นะอยู่นั้นเดี๋ยวรถไยออกเราก็ติดหลุ่มอยู่ที่สถานีนั้นลงมานะก็ขึ้นมาเพราะถ้าเราไม่ฝึกกลับมาอยู่ที่ลมหายใจบ่อยๆเมื่อเราเมื่อจิตมันใกล้จะรวมจิตมันนิ่งมันก็จะไหลลึกออกไปจากลมหายใจทีนี้เราก็จะเพลินเวลาเพลินอยู่ข้างในมันไม่ต่างอะไรกับข้างนอก เวลาเพลินี่มนันเรื่องของตันหาทั้งนั้นนะมันไม่ต่างอะไรกันอไอค้คนหนึ่งชอบนั่งอยู่ห้องแอร์แต่ไอค้คนหนึ่งไม่ชอบนั่งอยู่ห้องแอร์นั่งตากปัดลมอยู่ข้างนอกนต่างกันไหมอีกคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยแมวแมวเฮ้ยเรื่องควายไปนั่งข้างนอกดีกว่า พัดลมก็ไม่เอาไปนั่งข้างนอกก็นั่งเพลิน อ, อยู่ข้างนอกไอ้คนก็นั่งเพลิน อ, อยู่กับพัดลมไอ้คนนึงมานั่งเพลิน อ, อยู่กับแอต่างกันตรงไหนอือต่างกันไหมไม่ต่างกันเลยพระพิจ้าจึงบอกว่าให้ใช้อานาปานาสติเพราะว่าให้จิตมีลมเป็นเครื่องอยู่มีลมเป็นเครื่องรู้เล่นเดินไปกับลมหายใจจนตลอดสุดสาย จนถึงขนาดเด็นความไม่เที่ยงปล่อยเห็นความไม่เที่ยงเบื่อในละวางสลัดคืนออกนี่เป็นอัศจรรย์ของลมหายใจนะนอกจากให้ออกซิเจนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ลมหายใจไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ ภาคเช้านั่งก็พอเพียงพอนะแค่นี้เดี๋ยวจะช้ำ ม, มากเดี๋ยวตอนบ่ายถ้าใครยังอยู่หลังจากอาหารเที่ยงเรียบร้อยเราก็จะเดินเดินสักประมาณหนึ่งว่าเดินสักไม่อาจจะไม่นานแล้วก็มานั่งต่อนั่งภาคบ่ายนี้แล้วเดี๋ยวออกอย่างนี้ไป ก็อยากให้จิตหลุดออกมาจากอยากให้สติห่างจากจิตให้เคลื่อนด้วยสติแล้วก็แค่รู้กับสิ่งที่ตนต้องทำการใช้สติอยู่กับอารมณ์ภายนอกเป็นเรื่องสำคัญนะเวลาฝึกให้สติอยู่กับลมหายใจภายในอยู่กับลมหายใจมี ย, ยมเป็นเครื่องอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> มันจะตั้งมั่นยาก เวลาเราว่าเราตั้งมั่นหรือยังเกิดความสงสัยในความตั้งมั่นเพราะจิตไม่ชัดเจนข้างนอกอยู่กับข้างนอกไม่ได้เพราะว่าอะไรอะไรมันก็จะวางจะวางจะวางเพราะอยู่ข้างนอกอ่ะคุยกับเขาเหมือนคุยกันรู้เรื่องแต่ความจริงมันไม่รู้เรื่องนั่งกับเขาเหมือนนั่งด้วยด้วยกันแต่ความจริงมันไม่ได้ทำมันไม่ชัดเจนอยู่กับอารมณ์ข้างนอก นั้นเราจะต้องฝึกดับให้ดับตั้งแต่สภาวะหยาบได้จิตรู้ทันมีสติรู้อยู่ตลอดเพราะนั้นการที่จิตไหลออกไปคลุกคลีที่ว่าไหลออกไปรู้ไปทำไปจำในสิ่งที่เป็นข้างนอกด้วยสติด้วยสติมันก็จะทำให้เกิดการรู้รอบขึ้นมาสติที่รู้รอบเนี่ย สติที่มีสัมปชัญญะมันจะรู้รอบรอบก็คือว่าทั้งนอกและในไอ้ น, นี่เราทุบมารู้ลมหายใจแล้วก็อย่างอื่นไม่เอาแล้วจะเอาแต่ลมหายใจพอไปใช้สติไปข้างนอกใช้ไม่เป็นเพราะไม่เป็นบูหะมันก็ครอบอยู่ออกความหลงต่ออุเบกขาที่ฝึกมาสมามสเบเสรสมามสมเริรถูกความหลงกอไปกินหมด หายหมดก็ต้องมานั่งฝึกกันใหม่ก็ฝึกแล้วฝึกอีกแต่ถ้าเราเข้าใจเทคนิคกามันก็คือว่าก็ดูนะเรานั่งวันเมื่อกี้เมื่อกี้นี่นานนะพอต้องควรนะ